ในด้านการอย่างรู้สภาวธรรมโยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญาเองแต่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาคือให้เกิดสัมมาทิฐิคำพีมิลินทปัญหาแสดงความแตกต่างระหว่างโยนิโสมนสิการกับปัญญาว่าประการแรกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเช่นแพะแกะวัวควายอูดลา มีมณสิการแต่ไม่มีปัญญาพึงสังเกตว่ามีมณสิการแต่ไม่เป็นโยนิโสประการที่สองมณสิกามีลักษณะคำหนึง่งพิจารณาส่วนปัญญามีลักษณะตัดขาดมณสิกา ร, รวบจับความคิดมาเสนอทำให้ปัญญาทำงานกำจัดกิเลสได้เหมือนมือซ้าย รวบจับเอารวงข้าวไว้ให้มือขวาที่ถือเขี้ยวเกี่ยวตัดได้สําเร็จถ้ามองในแง่นี้โยนิโสมนสิการก็คือมนสิการชนิดที่ทําให้เกิดการใช้ปัญญาพร้อมกับทําให้ปัญญานั้นเจริญ ง, งอกงามยิ่งขึ้นไปตัวอย่างการใช้คําว่าโยนิโสและอะโยนิโสมนสิการบางทีจะช่วยเสริมความเข้าใจให้ชัดขึ้นเช่น เมื่อเกิดการทะเลวิวาทในหมู่คณะคนที่ใช้โยนิโสมนัสิการจะหยุดทะเลและหาทางระงับคำพีปปัญจโสทนีกล่าวถึงองโยนิโสมนัสิการว่าเป็นมูลแห่งวัตตะทำให้ไหววนอยู่ในทุกหรือสะสมหมักหมมปัญหาและชี้แจงว่าเมื่ออโยนิโสมนัสิกาะเจริญงอกงามขึ้นก็พอกพูนอวิชชา และภาวะตันหาเมื่ออาวิชาเกิดขึ้นก็เข้าสู่กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเริ่มแต่อาวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารเป็นต้นไปจนเกิดกองทุกครบท้วนบริบูรณ์แม้เมื่อตันหาเกิดขึ้นก็เข้าสู่กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกันเริ่มแต่ตันหาเป็นปัใจจัยให้เกิดอุปาทานส่งต่อตามลาดับนาไปสู่ความเกิดพร้อมแห่งกองทุก ส่วนโยนิสโสมณสิการเป็นมูลแห่งวิวัตะทำให้พ้นจากวังวนแห่งทุกข์ถึงภาวะไร้ปัญหาหรือแก้ปัญหาได้เพราะเมื่อโยนิสโสมณสิการเกิดขึ้นก็นําไปสู่การปฏิบัติตามมัคมีองแปดซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิก็คือวิ ช, ชานั่นเองเมื่อวิ ช, ชาเกิดขึ้นอวิ ช, ชาก็ดับไปเมื่ออวิ ช, ชาดับ กระบวนการนิโรธวาระแห่งปฏิจจสมบบาทก็ดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เขียนให้ดูง่ายดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่13 5ทับประกอบด้วยซึ่งแผนภูมิดังกล่าวอ่านได้ดังนี้วัตตะมีอโยนิโสมนสิการเป็นมูลกระบวนํารวังวนแห่งทุกข์หรือวงจรปัญหาเกิดจากอโยนิโสมนสิการ แล้วพอกพูนอวิชชาและตัญหาเมื่ออวิชชาเกิดขึ้นก็เข้าสู่กระบวนการทำปฏิจจสมุปบาทเริ่มแต่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นต้นไปจนเกิดกองทุกรบท่วนบริบูรณ์แม่เมื่อตัญหาเกิดขึ้นก็เข้าสู่กระบวนการทำปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกันเริ่มแต่ตัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานส่งต่อตามลดับนาไปสู่ความเกิดพร้อมแห่งกองทุก ส่วนวิวัตตะมีโยนิสโสมนสิการเป็นมูลกระบวนํารภาวะปลอดทุกหรือแก้ปัญหาได้เกิดจากโยนิสโสมนสิการนำไปสู่การปฏิบัติตามมัสมิองค์8ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิก็คือวิชานั่นเองเมื่อวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็ดับไปเมื่ออวิชาดับสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับ กระบวนการนิโรธวาระแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ดำเนินไปนำสู่ความดับทุกข์